วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันทาบุญข้าวประดับดินเข้าพันษามาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งวันเนี้ยวันเข้าประดับดินแต่ว่าคราวหน้านี่วันพระใหญ่คราวหน้าเนี่ยเดือนสิบเพนอันนั้นเป็นวันทาบุญฉลากกระพัดวันทาบุญข้าวประดับดินแล้ววันฉลากกระพัดสองวันเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่บาตรข้างนอก เพรเห็นว่าศรัทธาญาติโยมมาทําบุญสองวันนี่มากก็เลยเปิดทุดง่งตรงไม่ได้ใส่บาทข้างนอกอันนี้เป็นเราถือกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งวัดมาแต่เมื่อวันมานก่อนหลวงพ่ อ, อก็ไม่ได้บอกไม่ได้วอกับพระเก่าที่เคยอยู่ที่นี่แล้วก็คงจะบอกเก่าต่อกันอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้บอกศรัทธาญาติโยมก็เคยอยู่แล้วคงจะเข้าใจนะ ตรงคงจะทําตลอดไปวันเข้าประดับดินและวันทําบุญฉลากรพัดสองวันในพรรษาจะไม่มีการใส่บาตรข้างนอกจะมาอาหารเข้ามาข้างในนะีวันนี้นับว่าเป็นวันสําคัญของพี่น้องศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเพราะนั้นวันนี้ให้พวกเราทุกท่านถ้าเป็นไปได้อยากจะให้สมาทานศินอย่างน้อยก็มีศินห้า มากกว่า น, นั้นคใครมีศิลอุโบโสถหรือว่าศินแปดประจําตัวของพวกเราวันนี้นะนานทีปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวที่นะั้วันเข้าประดับดินและถ้าต่อไปแต่ปี2551ันห้ยจริงจะมีอีกเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันถือว่าเป็นวันสําคัญของพวกเราเพราะว่าถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของพี่น้องประชาชน ญ, ญาติโยมในท้องถิ่นของเรา ถือกันมาตั้งแต่โบราณกาลการถือเป็นประเพณีแต่จากแต่และท้องถิ่นไม่เหมือนกันท้องถิ่นหนึ่งก็ถืออีกอย่างหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งถืออีกอย่างหนึ่งแต่และ ว, วันแต่ทางภาคเหนือก็เลยว่าปลอยหลวงอย่างเนี้ยหรือว่าทางเทก迦จอย่างเนี้ยหรือว่าทําบุญอะไรสุดแท้แต่ในท้องถิ่นจะสมมุติกันขึ้นมา แต่ทางอีสานอเหนือถือกันมาแต่บรัมโบราณก็คือในพรรษาทำบุญข้าวประดับดินระหว่างทำบุญข้าวฉลากในพรรษามีอยู่สองวันทั้งสองวันนี้ถ้ า, าว่าไปแล้วความสําคัญก็เหมือนกันนะั่นแหะคือจุดมุ่งหมายปลายทางก็คือคนโบ ร, โบราณที่ท่านถือกันมาก็คือในช่วงที่พระจําพรรษา พระจำมันาคือพระไม่ได้ไปที่ไหนสามเดือนก็เป็นโอกาสอันดีพวกเราญาติโยมพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นก็เป็นเวลาฤดูการหน้าฝนมก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นโบราณเขาก็เลยกำหนดเป็นวันขึ้นมาเรียกว่าวันข้าวประดับดินเป็นวันข้าฉชาเป็นวันทำบุญอุทิศสวดกุศลถึงเปรตญาต พรเปรตญาต์ก็คือใครคือผู้ที่ล่วงลับไปผู้ที่ล่วงลับไปแล้วท่านว่าเปตรตญาตทั้งหมดจะเป็นอยู่ในภพภูมิใดก็ตามอันนี้แปลว่าไม่ใช่มนุษย์อุทิศส่วนกุศลถึงเปตรตญาตใครว่าผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นอีกมิติหนึ่งว่างั้นจัดเป็นอีกวิญญาณหนึ่งไม่ใช่เหมือนมนุษย์เราอันนี้แปลว่า การสงเคราะห์หรือการอานุเคราะห์ อ, อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าส่วนวิญญาณ น, นั้นเราจะต้องทำบุบุญทิดส่วนกุศลอีกอย่างหนึ่งในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าจิตวิญญาณแต่ละดวงหรือว่าการใช้กรรมของวิญญาณแต่ละคนแต่ละพักแต่ละพวกแต่ละกลุ่มแต่ละคณะแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน เพราะว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์การกระทำการพูดการคิดก็ไม่เหมือนกันการกระทำก็ไม่เหมือนกันในเมื่อล่มหายตายจากจากโลกนี้ไปแล้วจะให้เสวยสุขทุกเสมอกันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นดวงวิญญาณระหว่ามองเห็นบุพกรรมระหว่าการกระทำของพวกเราทุกๆุกท่านเพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงแนะนา ว่ากล่าวตักเตือนพวกเราอยู่เสมอว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าไปทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นมีหลายอย่างถ้าทํากรรมดีแล้วจะให้ผลอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นสรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทำการกระทาทางชั่วเรียกว่าอคุศ ล, ลกรรมถ้าทํากรรมดีเรียกว่าปุศนกรรมแต่ว่ากรรมเหมือนกันนะ แต่ว่ากุศลกรรมและอัออะกุศลกรรมอักุศลกรรมคือกรรมชั่วกุศลกรรมคือกรรมดีเนะีเพราะฉะนั้นให้เลือกทําแต่กุศลกรรมคือกรรมที่ที่ดีนะถ้ากุศลกรรมที่เราเป็นคนคิดก็ดีทําก็ดีพูดก็ดีถ้าหากว่าพวกเราตั้งต้นดีตั้งต้นดีหนึ่งก็ดีสองก็ดีสมก็ดีมีอยู่แล้ว กุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นพยายามทำให้มากอากุศลก็เหมือนกันอากุศลกล้ำอยู่ในจิตในใจของเราขัดข้องขุนมัวโมโหโทโสโกโ ธ, ธานขุนเครื่องอยู่ในใจนี่คือว่ากิจพยาบาทอาฆาตอยู่ในจิตในใจจิตใจเป็นอากุศลอยู่ในจิตใจหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ ด, มกดีมีอยู่แล้ว อกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นให้รู้จักควรละเสียอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวสอนพวกเราสรุปแล้วก็คือกุศลก็ดีอกุศลก็ดีเกิดมาจากใจเกิดมาจากจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราในวันนี้ก็คือมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงเปรตญาต อาจจะพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราเพื่อนฝูงของเราวงสาคนาญาติของเราที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เมื่อเราได้มาพบมาเจอได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ทําบุญถึงจะเป็นสุดท้ายปลยแดนก็อันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแนะนําให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ที่ล่วงลับไปอันนี้ถือเป็นประเพณีมาตั้งแต่ โ บ, โบราณอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานก็คงจะสืบทอดในการทําบุญไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพราะพวกเราไม่มั่นใจว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราทั้งในปัจจุบันและในอดีตอดีตก็คือในพบก่อนชาติก่อนในเมื่อพวกเราได้เกิดมาพระพุทธศาสนาวิญญาณเขาจะรู้ได้ว่าใครไปอยู่ที่ไหนเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นวงสาคณาญ า, าติเข้าไหม เขาเคยทํากลัมร่วมกันในอดีตชาติไหม ย, ยกตัวอย่างอย่างเรปรตพระเจ้าพิพิสารอย่างเนี้ยพระเจ้าพิพิสารท่านได้ทําบุญกับพวกญาติพี่น้องของท่านแต่ว่าญาติพี่น้องของท่านทําไปในทางชั่วแต่พระเจ้าพิพิสารทําในกลุ่มนั้นในคราวนั้นสังสมไปในไม่ทางดีแต่พวกที่ทํากรรมชั่วนั้นก็ต้องไปตกนรกออกจากนรกก็เป็นเปรต หิวโหยส่วนพระเจ้าพิมพ์พิสารท่านไม่ได้ทํากรรมชั่วกับเขามีแต่สั่งสมบุญกุศลแต่ดวงวิญญาณที่เป็นญาติในครั้งนั้นเขาก็ดูอยู่ว่าพระเจ้าพิมพ์ิสารไปเกิดนะพบใดภูมิใดสถานใดพอมาพบนี้ชาตินี้ก็มาเกิดที่กรุงราชคฤห์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าพิมพ์พิสารนะพวกเปลแต่ญาติทั้งหลายเขาก็เห็นว่านี่แหละคือญาติของเรา ในสมัยเมื่อเราตกทุกข์แต่ยากสมัยนั้นได้สังสมสร้างคุณงามความดีแต่ว่าพวกเราเนี่ยทกลําชั่วแต่พระเจ้าพิมพิสารทำกลําดีคอยนั้นข่าวนี้ข่าวนี้คือพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านคงจะทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่พวกเราอันนี้คือพวกเปลแต่ญาตทั้งหลายคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาต ที่จะอุทิศสวนกุศลให้เพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายไม่ใช่มีแต่พวกนี้ชาตินี้เท่านั้นที่เป็นญาติโกโหติกาของพวกเราในอดีตชาติก็มีไม่รู้กี่พบกี่ชาติพวกเราเวียนไหวตายเกิดในวัะตาสงสารน่าคณนานับหาประมาณไม่ได้เพราะนั้นพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้พบเพระพุทธศาสนาได้มาทำบุญในวันนี้ ก็ให้ทำบุญเวลาพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรให้พวกเราน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงเปรตแต่ญาติของพวกเราเออถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของพพวกเราที่ลมหายตายจะไปในภพนี้ชาตินี้ไปตกทุกข์แต่ยากอย่างไงก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลถึงจะเป็นญาติพี่น้องในอดีตชาติของพวกเราที่ได้ร่วมกัน สั่งสมบุญกุศลหรือว่าได้ทำกลัมร่วมกันได้เกิดร่วมกันในพบถ้าหาว่าพร้อมที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้า พ, เ จ, าาพเจ้าข้าพเจ้าก็ยินดีอุทิศส่วนกุศลให้แก่พวกท่านเหล่านั้นด้วยอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเราเกิดในอดีตชาติเราก็มีญาติมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีผูงอย่างชาตินี้แหละ ถ้าว่าเรายังเวียนไหวตายเกิดยังกิเลสของเรายังไม่หมดจากจิตใจแล้ว เ, เกิดพบหน้าชาติหน้าเราก็จะมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีผูงอย่างชาตินี้เพราะนั้นท่านจึงว่าไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันละกันอย่าไปดูถูกเหกียดหยามกันการอยู่ถึงจะเป็นหมูหมากาไกา่เป็นคนทุกข์ยากต่ําต้อยก็ตามอย่าไปดูถูกกันเพราะว่าทุกวิญญาณพร้อมที่จะขึ้นสูงได้พร้อมที่จะลงต่ําได้ ตัวของพวกเราก็เถอะถ้าว่าพวกเราพลาดรั้งเสียทีคิดไปในทางที่ไม่ดีเกิดชาติหน้าอาจจะเป็นหมูหมากาไก่เป็นคนทุกข์ยากลำบากก็ได้ค่อยนั้นเหมือนกับเราเดินทางเราเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางขนาดขึ้นขึ้นเครื่องบินก็ยังตกหลุมอากาศยังมีขึ้นสูงยังตกตุ่มอากาศบูบว่าปูบปว่าปไปอันนี้ก็เหมือนกันการเดินทางเราจะให้เรียบราบเสมอ จับดิ่งซะก่อนจะค่อยเดินทางคงจะไม่เป็นอย่างนั้นจับระดับน้ำซะก่อนจะค่อยเดินคงไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมีที่สูงที่ต่ําบางทีก็ลงห้วยบ้างบางทีก็ขึ้นเนินบ้างอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราไม่ใช่จะราบรื่นไปทุกสิ่งทุกอย่างบางทีก็ตกทุกข์แต่ยากบางทีก็ขึ้นสูงบางทีก็ตกต่ําเพราะฉนั้นใ น, ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าจังหวะอย่าดูถูกเหยียดหยามกันให้เคารพซึ่งกันละกัน เพราะคนเราเกิดมาทุกวิญญาณพร้อมที่จะตกขึ้นสูงลงต่ำได้เพราะว่าจะต้องเวียนไหวในวัฏฏะสงสารบางทีจะเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมบางพบบางชาติก็เป็นโง่เง่าเตาตุนเพราะเห็นไรเพราะกล้มตัวเองได้กระทำบางคนก็ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ากร้ำคือการกระทา การกระทํำสิ่งไหนที่จะให้เป็นคนโง่เง่าเตาตุนทําสิ่งไหนที่จะให้เป็นคนเฉลียวฉลาดทําทสิ่งไหนที่จะให้เป็นคนเฉียสวยงดงามเพราะพระพเจ้าท่านก็บอกแนวทางไว้หมดท่านบอกว่าทางว่าผู้ใดก็ตามเกิดมาพบนิชชานี้เป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติให้ห่างจากพวกของมือนเมาคืออย่างสุรายาเสพติดทั้งหลาย เวลาเข้าไปหาพระสงฆ์หรือไปบันฑิตนักปราชญ์พยายามตั้งปัญหาถามไทยและก็เพื่อการศึกษาไม่ใช่ไปวัดภูมิไปลองภูมิท่านสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็พยายามไปถทยถามท่านไปศึกษาท่านและจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราแล้วก็ห่างจากยาเสพติดทั้งหลายถ้าหากว่าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าคนนั้นจะเป็นผู้มีปัญญา อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วแต่ถ้าว่าพวกใดหนักในเรื่องยาเสพติดกินเหล้าเมายาคันชายาฝิ่น เ, เกิดพบนี่ชาตินี้ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเกิดมาพบหน้าชาติน่าดวงวิญญาณนั้นจะเป็นผู้โง่เง่าเตาตุน เ, เป็นคนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะตัวเองทำให้แก่ตัวเองกล้ำตัวนี้จะ ติดตามไปในภพน้าชาติหนาถ้าว่าผู้ใดก็ตามชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าสัตว์เป็นของธรรมดาไม่ได้คิดว่าชีวิตเขาชีวิตเราถ้าว่าในชาตินี้หรือวันในเกิดมาในภพน้าชาติหนาชีวิตเขาจะสั้นเพราะเหตุใดเพราะเขาชอบฆ่าสัตว์แต่ถ้าว่าผู้ใดไม่ถึงกับการฆ่าสัตว์แต่ว่ามีการทรมานหรือว่าเป็นการลังแกเบียดเบียนสัตว์ทุบตีสัตว์อย่างนี้ เกิดพบหน้าชาติหน้าร่างกายของเขาจะทุกพละภาพจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเขาหลังแกเบียดเบียนสัตว์ไว้ในอดีตชาตินถ้าว่าผู้ใดก็ตามอมีบริษัทมลิวานมากเอพวกผู้นั้นในอดีตชาติของเขาเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเสื่อเผื่อแพผ่เกื้อกูลหนุนเขา ไม่อิจฉาพยาบาทคนอื่นมีต่การสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เพราะนั้นเกิดมาพบในชาตินี้ถึงจะเขาจะไม่มีเงินคำทรัพย์สมบัติแต่เขาก็มีบริษัทบริวารเพราะเหตุไรเพราะว่าเขามีจิตใจกว้างขวางเกื้อกูลหนุนคนอื่นไม่เบียดเบียนหลังแก่คนอื่น อ, อย่างเนี้ยแต่ถ้าว่าผู้ใดเกิดมาพบนี้ชาตินี้ทุกยากลําบากเพระผู้ใดเจ้าท่านบอกว่าเพราะชาติที่แล้ว ในเรื่องการทำบุญทำทานเขาไม่ยินดีในการทำทานเพราะว่าคิดว่าการทำทานเป็นการเสียเปรียบคนอื่น เ, เขาก็เลยไม่อยากจะทำทานไม่อยากจะทำบุญมีแต่คอยกินจากคนอื่นเขาเรื่องการทำบุญทำทานนี่แปลว่าเสียเปรียบเพราะนั้นเขาไม่ไม่ทำถ้าว่าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเขาจะเป็นผู้ไม่มีเงินเป็นผู้ไม่ร่ำรวยเพราะเหตุไรเพราะอนิสงทานเขาไม่มี แต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามอันนี้สงทานเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระปฏิเจกพทุทธเจ้าเห็นพระรหัสสาวกเกื้อคุณหนุนสงเคราะห์พ่อแม่ของตนเองหรือผู้มีอุปกรณหรือทาสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมเขาเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเขาจะเป็นผู้ร่ำรวยจะเป็นผู้มีเงินไปในสถานที่ใดไม่ฝืดไม่เคือง อยู่สถานที่ใดก็ไม่อดไม่อยากเพราะอันนี้สงทานของเขาเนีเพราะพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้หมดดวงวิญญาณหรือวิจัยของแต่และคนเพราะการกระทําไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราให้สังเกตดูแบบผิ ว, ผวเผๆแบบจับยาก็ได้ออทําไมมนุษย์เกิดมา เ, ออเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทําไมกลัมจึงจําแนกให้แตกต่างกัน ทั้งที่ขาสองแขนสองหน้าตาเหมือนกันมีครบทุกอย่างแต่ทำไมไม่เหมือนกันพวกเราสังเกตดูสิเพราะว่ า, าการคิดการกระทําของพวกเราไม่เหมือนกันแอบแตกต่างกันเพราะนั้นกลธรรมจึงจำแนกให้แก่มนุษย์ชาติเกิดมาในภพภูมิต่างๆแปกแตกต่างกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าไปคิดว่าตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกแนนอนพระพุทธเจ้าท่าน ดูไว้แล้วมองแล้วเห็นแล้วพระหานทษสาวกทางหลายท่านเข้าฌานนั่งสมาธิเข้าฌานดูแล้วแะนั่งสมาธิดูแล้วเห็นแล้วว่าทุกวิญญาณเกิดมาแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นพวกเราอยากจะรู้อยากจะเห็นก็ยังพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สงวนลิขิตเว่าะั้นถ้ให้พวกเรานั่งสมาธิกาหนดดูจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้เห็นได้แต่จะไปรู้ เห็นเถอะภายนอกให้ดูตัวเองน่ะดีกว่าดูใจของตนเองให้ดูจิตใจของตนเองนั่นน่ะจิตใจของเราเป็นยังไงทุกวันนี้จิตใจของเราเป็นกุศลหรืออกุศลไนถ้าจิตใจของเราเป็นกุศลจิตใจของเราตัวของเราจะสงบร่มเย็นเป็นสุขในอนาคตแต่ว่าจิตใจของเราเป็นบาปอากุศลเราแน่นอนทีเดียวเราก็ต้องตกทุกข์ใดอย่าง เพราะนั้นที่พวกเราได้มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้ก็เหมือนกับพวกเรารู้แล้วว่าวันนี้เป็นวันข้าวประดับดินวันนี้เป็นวันบุญข้าวฉลากแต่เมื่อเราล้มหายตายจากไปถ้าว่าพวกเราตกทุกข์ได้ยากพวกเราก็ต้องคิดเออสมัยเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่พวกเราได้ทําบุญตักบาทได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ข้าพเจ้าคราวนี้ ได้ทำกรรมชั่วบางสิ่งบางอย่างได้ตกทุกข์ไรยากเมื่อพ้นจากความทุกข์ยากมาแล้วก็ต้องวิ่งหาญาติพี่น้องว่าวันนี้เป็นวันข้าวประดับดินพวกพี่น้องคงจะมาทำบุญคงจะไปทำบุญในสถานที่ต่างๆพร้อมกันก็คงจะอุทิศส่วนกุศลถึงวิญญาณเปรตญาตทั้งหลายเหมือนเราได้ทำไวแต่ก่อนเก่าเหมือนเราเคยทามาแต่ก่อนเก่าสิ่งเหล่านี้ก็ ดวงวิญญาณจิตวิญญาณทั้งหลายก็คงจะมาคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราทําบุญอุทิศเมื่อทําบุญแล้วให้อุทิศส่วนกุศลถึงเปตญาติพ่อแม่ปู่ญาติตยายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเพราะว่าตายแล้วไม่สูญแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเรายังมีชีวิตอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้อย่าไปคิดว่าตายแล้วสูญ ให้ทําเองไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าเมื่อตายไปแล้วให้ญาติพี่น้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้อันนั้นคอยปลายมือบางทีเขาอาจจะไม่ทําให้เราก็ได้หรืออาจจะทําก็ได้อาจจะไม่ทำและเสียมากกว่าเพราะเขาก็มีหน้าที่บางผีเผลอเขาอาจจะไม่เชื่ อ, อในบนุญในบาปในการกระทําของเขาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ เน่ยพร้อมที่จะสั่งสมบุญกุศลได้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้รักษาศีลไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไว้ให้มากถ้าเผื่ออนาคตตายแล้วไม่สูญพวกเราก็ไม่ได้เสียใจถ้าว่าตายแล้วสูญพวกเราก็ไม่เสียใจอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ทํากรรมชั่วอะไรเอาไว้เมื่อตายไปแล้วคนอยู่บา้างหลังก็ ไม่ได้ดูถูกเกียดหยามไม่ได้ประนามเราถ้าว่าตายแล้วเกิดพวกเราจะได้สังสมได้เสวยบุญกุศลที่พวกเราได้เตรียมเอาไว้แล้วเพราะนั้นตายแล้วไม่สูญแน่นอนอที่พูดทางนั้นทางนี้ก็คือความเชื่อของพวกเราอาจจะมีสองจิตสองใจนะหลวงพ่อก็เลยแบ่งเป็นสองเอาไว้แต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาท่านพูด หนึ่งเดียวเลยตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าพวกเราอยากจะรู้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้บอกไว้เบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าพระหันสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่สงวนลิขิตให้พวกเราปฏิบัติตามแนวแถวนั้นได้แต่พวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจะรู้ได้ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งเป็นคนละอย่างกันเราจะรู้ได้ว่าอันไหนตายเกิดอันนั้นตายสูญ ต่วไหนไปศูนย์ตัวไหนเกิดร่างกายศูนย์แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นจะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆต่อไปเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายให้ทั้ง อ, อกตั้งใจนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมบุญกุศลเอาไว้นะพบหน้าชาติหน้ามีจริงแล้วก็การบําเพ็ญทานศีลภาวนามีที่สิ้นสุด อะไรที่ทําให้พวกเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเหมือนลูกฟุตบอลกลิ้งไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรพระพุทธเจ้าว่าเพราะกิเลสกิเลสนั้นคืออะไรกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันอยู่ในจิตในใจของเราเหมือนกับเตะใจของเราไงกลิ้งไปในภพภูมิต่างๆจะทํำยังไงจึงจะไม่อให้มันกลิ้งไปพระพุทธเจ้ า, าท่านก็บอกวิธีการ นานทีพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นมาในโลกครั้งหนึ่งจากนั้นเมื่อท่านได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นก็ น, นำรรมามาเผยแผ่มาแนะนำสั่งสอนพระพุทธเจ้าสวัสเนี่ยที่จะสกัดกิเลสออกจากจิตใจได้ก็คือมรรคแปดมรรคแปดก็คืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสมมาคมมันโตสัมมาอา้าว อาจีวววายโมสติสมาธิอันนีแหละมักแปดนี่แหละที่จะกาจัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจก็คือสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาอ่าที่พวกเราจะนำมากันกรองมาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วก็กำจัดกิเลสภายในใจเมื่อกจัดออกจากนั้นก็จิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นแ่กระยุดอ่า ไม่ไปตามวัตฏะเหมนหยุดจิตใจหยุดปล่อยวางทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัตฏะสงสารที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทีท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะทางว่าพวกเราบําเพ็ญไปมีที่สิ้นสุดในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือที่จิตใจของเราหวั่นไหวไวกวแกลงหรือว่า ไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่ก็คือตัวกิเลสนั่นน่ะพานำพาปรับปรุงอยู่ในจิตในใจของพวกเราเพราะนั้นให้กระจัดกิเลสราคะโทสะออกโมหะออกแล้วความบริสุทธิ์สุดพ้นก็จะมาสู่พวกเราทันทั้งหลายนะวันในหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงเปรแต่ญาติถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญคือวันบุญข้าวประดับดิน วันพระนาเนี่ยวันเดือนสิบเทนเป็นทำบุญทาบุญข้าวชากคนโบ ร, โบราณเขากำหนดวันขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานไม่ให้ลืมเพราะงั้นเถอะไม่ให้ลืมให้ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่เหมือนกับวันาศาสตร์จีนอย่างนั้นนะ่ะคือไหว้เจ้าต่างกลุ่มต่างเผ่าเขาก็มีวันของเขาที่จะทำบุญอุทิศแือระลึกถึงผู้มีอุปการะคุณนะพวกเราก็เหมือนกันนะั่น่ะได้ ทำบุญมาร่วมทำบุญในวันนี้ก็คือมาเพื่อระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่ได้ให้แก่พวกเราแต่พร้อมการกุหลงพ่อก็ได้บรรยายเกี่ยวกับการตายและเกิดตายแล้วสูญจิตวิญญาณเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรที่พระพุทธเจ้าพระหันสาวกท่านรู้แจ้งเห็นจริงได้ยังไงสรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่สูญ น, นะเพราะนั้นให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ดีนะ ถามว่าพวกเราไม่เชื่อแล้วก็นั่นแหละแต่ความไม่เชื่อนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันเหตแต่ว่าเชื่อนั่นก็คือเกิดประโยชน์เราจะได้เรื่องเวียงระวังในการกระทําของพวกเรานะตอต่อเนี้ไปรับพรนะเีนะอนุมโมโทนาให้พร